ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังเอ็ม m p สาแผนที่เจ็ดเจ็ดโดยหลวมข้ออินทวายสันตุสกวัดปาดาคำน้อยจังหวัดพุรัานีคติธรรมแผนที่เจิเจให้คติธรรมหลวงข้อว่าอนนาคตังปฏิกริปราทักกิจจัง แปลว่าเตรียมกิจสำหรับอนาคตไว้ให้พร้อมคาว่าเตรียมกิจคำนี้คือในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าทำคำสอนของพระพุทธเา้าท่านบอกไว้ว่าพวกเราต้องคิดเตรียมการเอาไว้ชีวิตของพวกเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่รู้ว่าจะตกหลนเมื่อไหร่ เพราะนั้นถ้าเตรียมการไว้จะดีกว่าถ้าคนที่เตรียมการเอาไว้ไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนนั้นถึงจะอยู่นะสถานที่ใดก็ระเวียงระวังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนนั้นถึงจะอยู่ยางไงชีวิตประจำวันของเขาก็จะไม่ทุกขกระตำลำบากว่ไาไร่ พออเพราะเขาเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอแต่ละก้าวเดินเดินแต่ละก้าวชีวิตแต่ละก้าวแต่ละวันขเขาพรา้อมทบทวนไม่อยู่เสมอว่าก้าวผิดหรือก้าวถูกเราจะก้าวไปยังไงจึงจะถูกต้องการบริหารจัดการการเป็นบุคลของเราที่เราได้เกิดมาได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราจะก้าวเดินยังไงในโลกใบนี้ เมื่อเราสมัยเป็นเด็กควรวางตัวอย่างไรในเมื่อเป็นหนุ่มสาวควรวางตัวอย่างไรในเมื่อเรามีครอบครัวเราควรวางตัวอย่างไรในเมื่อเรามีฐานะมีลูกมีครอบครัวมีอายุ ข, ขึ้นมาแล้วเราควรจะวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือความเตรียมพร้อมทุกขณะถ้าใครเตรียมของไว้อย่างนี้อนาคตของคนนั้นก็จะสดใส จนถึงตักกิเลสราคาโัสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงนั้นคือวางแต่มชีวิตของตัวเองไว้ยางยาวนานและถูกต้องวันนั้นการกล่าวหัวข้อเอ3มสแฟ้มที่77เห็นว่าส้นคัรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีะีรัตนตรายพระพุทธเจ้ า, ยยาพระธรรมพระสงฆ์ขอให้มาคุ้มของพวกเรา่อ